เมื่อผลปฏิบัติตอนเย็นท่นผมรู้จักว่าผมเป็นพระได้ตอนเย็นเมื่อแลงผมมาเดินจมกลมกลับไปกลับมาอยู่เมื่อแล้วผมกลับมานอนรื่นเศร้ามาผมกลับมาลางหน้าแปลงฟันธรรมดาคือเอาเทปมือมานั่งสร้งจังหวะเดินจมกลมกลับไปกลับมามีตัวขีดเข็บตัวหนึ่ง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 เอาความคิดลากเอาตัวสติโ ต, ต, ตสมาธิโตปัญญาอันนี้ออกไปเขาก็เลยบบได้มารู้จกักโตเขาบัดนี้เขามาทำการเคลื่อนไหวโบต้องหลับตาพอดีมันคิดรู้จักเห็นรู้เข้าใจเอาอยู่แค่นี้แหละอันนี้ควมสงอบแบบมันมาจนเกาะกาวได้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 สมถากรรมฐ า, านจึงปิดอุบายให้สงบจิตคือเอาเหินไปทัดง้าไวนี้วันวนบ้นี้หินทัดง้ามันเย็นบ้นเอาเหินออกเลยง้ามันงอขึ้นมางามกคเดิร น, นี่อันนั้นบรไม่ความสงบในหลักพระพุทธศาสนาความสงบของาศาสนาพามเนี่ยหุจักสันรดโอ้นี่นี่สูรนี่มันเป็นยังสิ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 ย่าเอาความซั่วมาแสดงเอาความดีมาแสดงต่อกันให้มันเห็นเป็นครูของกันและกันให้เป็นครูของกันและกันนี่หมายถึงจ้ดเจ้าเฮ็ดก็เป็นคููค่อยค่อยเฮ็ดก็เป็นครูเจ้าเจ้าตื่นข่อนค่อยคอยตื่นข่อนเจ้าบนแม่ทีว่าห้อยายมตื่นแล้วโบตื่นห้องยำเฮ็ดแล้วโบนให้เขาบ่กคนขี้คานคนเยายวกสันดานของตัตว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 คนบนมี้คมละไาแก้ใจมันกับเอิ้นสันดานของตัดสันดานของผีเขาว่ากันนียมาผีตายจินหัวไม่ได้เกินเรายากเวกเนี่เขาบนมีตาทิพ์เขาจีบ่าเห็นผีเด้ผีคือคนขี้เกียจขี้คานคนทําสัวพูดซัววายากสอนยากเขาเอิ้นบักผีคือผี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 รู้และตัางเก้าล่วงภาวะเดิมตั้งเก้าอันใดแต่ก้อนเคยนอนตื่น ส, สวยตื่นดึกในบัดเียแต่ก้อนเคยสูบบุหรี่เลิกได้แต่ก้อนเคยเป็นคนพูดมากคุยมากเลิกได้แต่เฉพาะพูดแต่ข่มจริงเท่านั้นนี่เป็นกรต่างเ่าล่วงภาวะเดิมล่วงจากข่มเป็นผู้ทุศน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 กู ข, ขี้เกียจกู ข, ขี้น้ายกูอ ย, ยากฆ่าอยากเตะแตะ่หักโบติบบตีอย่างเราๆว่วาซื่อๆอันนี้คำพูดซัวๆถ้าห่างแล้วลกมีตายไปได้จีไปตกนัลกขุมใดเนี่ยเขาใจยังสูสตรมันบานี้ปากกรซาวบาวใจคิดซื่อใจคิดอิจซาิษยาเบียดเบียนคนนั่นคนนี้ซื่อ